สมานานิวสัตรัติิกเวุกัสสุตโยอริยสัจจังสัญญาสังเกตนาตัณหาวิตกละวิจาร์อันนี้เป็นส่วนของธรรมารมทั้งหมดสัญญา จะคู่สัญญาสตสัญญาคณะสัญญาชีวภาพวิญญาราัศมีสัญญาผลิตภัสัญญาธรรมะสัญญาเป็นเรื่องของธรรมารมณ์ทั้งหมดธรรมารมณ์ที่เป็นส่วนสัญญาตกค้างตกผลึกไปเป็นสัญญาสัญจิตตนา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 พระ า, าสนเจตนาคิดถึงรถโ佛陀บะสัณเจตนาโ佛陀บะสัณฑิตนาคิดถึงโพภพภะธรรมะบัณฑิตนาธรรมะบัณฑิตนาคิดถึงธรรมารงคิดถึงธรรมารงนี่ฉันพูดถึงสัญเจตนาปัญหา ปัญหาความอยากในรูปรูปตัญหาความอยากในรูป ค, ความอยากในรูปสันดตัญหาความอยากในเสียงทันทตัญหาความอยากในกลิ่นรสชาติปัญหาความอยากในรสอตปบะัญหาความอยากในโพธิภะโพธิภะคือความกระทบ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 มีแต่ภัทรศรูปปัญจรูปรูปปวิตักรูปะรูปรูปรูปังโรเกรรูปังชาตรูปัง สัตว์โลกเกยรูปังซาตรูปังคันธโลกเกียร์ g ูปังซาตรูปังรสสโลกเกียร์รูปังซาตรูปังพุทธบโลกเกียรรูปังาตรูปังธมโลกเกยรูปังซาตรูปังเป็นรื่องของายตนะภัยในกับอายตุนะภายนอก จักขวิญญาณังโลเกปิยารูปังสาตรูปังสัตดวิญญาณังโลเกปิยรูปังสาตรูปังขันธ์ญญโลเกปิยรูปังสาตรูปังรสะโลเกปิยรูปังสาตรูปัง พอถ้ามโลกิรปังสตรูปังมโลกพิรูปังสตรูปังมวิญญาณังโลกพิรปังสตรูปังไล่มาโอ้ยมีเแขน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 คืสัโรมาทีิจิตนั้นสัมโรมมาทีิจิตตั้งสติกำหนดจดจ่อสัมโรมาทีิจิตสมาระวังมาทีิจิตมันก็เท่ากับสัมโรมาทีิตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กาที่ใจสัมโรมาทีิจิตดวงเดียวมันมีค่าเท่ากับสัมโรมไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่ผลิภัณที่ธรรมารมที่วิญญาณหกที่ผัตสหกที่เวทนาหก ที่สัญญาหกที่สัญเจตนาหกที่ตันหาหกที่วิตตกหกที่วิจารทั้งหกสัารวมมาที่ใจดวงเดี่ยวเท่ากับสํมรวมได้ทั้งหมดอันนี้มันเป็นตำราที่เราทำให้เราย้อนมาที่จิตของเรามาเป็นข้อปฏิบัติสํารวมมาที่จิตของเราเราจะพิจารณ้อ ม, มาในแง่สมถะ ม, มันก็สงบอยู่แล้วพ่าสัมรวมมาที่ใจตรงเดียวเราจะพิจารณาในแง่ของวิปัสนาสติวิปัสนามันก็สัมรวมมาที่จิตดวงเดียวมันก็อยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความสัมรวมสัมรวมก็คือระวังคือกำหนดคือจดคือจอ่อคือจ้องคือตั้งท่าคือระมัดระวัง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 กำหนดรู้โรูอยู่นั่นเห็นแต่ทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมมีค่าเท่ากับจิตดวงเดียวทั้งหมดเนี่ยมีท่าค่าเท่ากับจิตดวงเดียวอเพราะสํารวมที่จิตดวงเดียวได้ตัณหาเกิดไม่ได้สัมบูรวมที่จิตดวงเดียวตัณหาเกิดไม่ได้เอาสติมาสําบูรณ์เอาสัมปชัญญะมาสํารวมเอา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 นี่เราเอามาเทียบกับข้ออุปมาว่ามันนี่เหมือนแมงมังมุมที่อยู่กลางใหญ่ใหญ่เมืองมุมแมงมุมที่มันชักใหญ่เป็นหลายหลายเหลี่ยมหลายสันนัน่นะหละเพื่อที่จะ ด, ดักกินเหยื่อของมันน่นแหะเหยื่อมาโดนทางไหนปับ๊บกระเทือนถึงมนันปั๊บหันทับงับหันปั๊บงับองับทันที ถ้าหากเราไม่ทันถ้ า, ถาหากถ้าเราทันถ้าหากเราทั น, าาทนโลาปั๊บจับปั๊บมันกระดุกดิบปั๊บจับปับตื่นรู้ทันทำ เอาทำไปแทนเอาทำไปนั่งแทนเอาผู้รู้ไปนั่งแทนเอาสติเอาสัมปชัญญะไปนั่งแทนไปนั่งแทนตัวตัณหาหมายคาอว่าตัณหามันกระแทรกเข้ามาที่จิตทำก็แทรกเข้ามาที่จิตแต่เราจะเทียบกับเหมือนกระยายเหมืองมุมเอาถ้าเอาทำไปนั่งแทนโผลมากรู้โผมารู้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 อันนี้เป็นหลักนะเป็นหลักที่เราย้อนมาข้างในใจของเราเนี่ยเป็นหลักสำหรับสหรับสหรับเราย้อนมาข้างในเราพยายามโยงสู่ข้อปฏิบัติสู่แนวปฏิบัติโยงไปที่จิตดวงเดียวเนี่ยมีสติกากับมีสัมผชัญญาํากับพยายามทางความรู้จัก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 ฮะไทยฮะเป็นไรฮะ